สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบางนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่คำอุปมาตอนที่สามเรื่องดินใจสี่ชนิดพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระเยซูได้ทรงใช้คำอุปมาเพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์ที่มีจิตใจที่เปิดออกเท่านั้นจะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนเรื่องล้าลึกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณ โดยโปร่งเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่ในโลกทำให้เขาได้เห็นภาพและก็เชื่อมโยงภาพแบบเหล่านั้นไปสื่ถึงสิ่งล้ำลึกไปบางอย่างซึ่งเป็นคำสอนของพระเยซูได้เพียงคับโรจาของพระเจ้าตอนนี้ก็เรื่องดินใจสี่ชนิดนะครับพระเยซูกำลังอธิบายคำอุปมาเรื่องการหว่างพืชนะครับที่ตกเข้าไปในดินสี่แบบด้วยกันนะครับ โปรดฟังปชนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่13ข้อที่18จนถึงข้อที่23เหตุฉะนั้นทั้งหลายจงฟังคำอุปมาว่าด้วยผู้หวานพืชนั้นเมื่อผู้ใดได้ยินคำบอกเล่าเรื่องแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจมาร้ายก็มาฉวยเอาพืชซึ่งหวานในใจเขานั้นไปเสียนั่นแหละได้แก่มเมล็ดพืชซึ่งหวานตกริมทางแล ะ, มะเมล็ดพืชซึ่งหวานวางตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินโฆษณาแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ได้ชั่วคราวแต่เมื่อเกิดการยากลําบากหรือการโหม่งอย่างต่างเพราะพระวจนะนั้นเขาก็เลิกเสียในทันทีนนันใดและพืชซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังโฆจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความรุ่มหลงในทรัพสมบัตริรักพระวจนะนั้นเสียจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้น แด้แก่บุคคลที่ยินพระเจ้านั้นและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างและสามสิบเท่าบ้างพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวและลูกาได้บันทึกคําอุปมานี้แต่หนังสือมัทธิวนั้นได้ให้คําอุปมาและรายละเอียดมากครับในเรื่องทางบวชสาบในข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้บอกกับเราว่าฝูงชนที่ล้อมรอบพระองค์ที่ชายทะเลสลับสาบกะลีนีนั้นมีจํานวนมากครับ จนกระทั่งพระเยซูต้องเสด็จลงไปประทับในเรือเพื่อที่จะตัดกับฝูงชนเหล่านั้นเราคงจินตนาการคนเป็นพันๆคนนะครับที่ริมฝั่งทะเลถ้าพี่น้องได้มีโอกาสไปที่แกรีลีเราเห็นนะครับว่าชายฝั่งเตยแกรีลีนั้นก็ล้อมรอบด้วยเนินเขาเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเนินเขาเหล่านั้นก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเเียเตอร์ครับที่ยกขึ้นมานครับเป็นเเียเตอร์ที่เปรียบเทียบได้กับเเียเตอร์ของพวกโกลมครับ ที่ยกขึ้นมาแต่คนที่อยู่ตรงกลางเควเตอร์ก็คือเปรียบเส ม, มือนกับเปเยซูอยู่บนกลางนะครับอยู่บนน้ําอยู่บนเรือกลางเรือครับก็เทศนาสั่งสอนให้ประชาชนฟังเปเยซูตัด ก, กับพุ้งจนเหล่านั้นนะครับแต่เปเยซูเริ่มต้นการสั่งสอนด้วยคําอุปมาครับเปเยซูสอนว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นเปรียบเส ม, มือนอะไรพี่น้องครับ เรื่องอุปมาดินนะครับดินใจสีชนิดนั้นเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างชนิดของดินครับซึ่งมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช น, นะครับเมล็ดพืชที่หวานไปนั้นก็คือพจนะนั่นเองเมื่อพจนานัถูกหวานไปในดินใจสี่อย่างนะครับเขาก็จะพบว่าในที่สุดแล้วดินใจที่เกิดผลหนึ่งร้อยเท่าก็คือตกอยู่ในดินดีครับ แต่สามชนิดแรกซึ่งเป็นดินที่ดินใจที่อยู่ริมทางบ้างนะครับก็คือไม่มีเนื้อดินเลยครับหรืออยู่มีเนื้อดินจริงแต่เนื้อดินไม่ลึกนะครับหรือดินมีครับเนื้อดินก็มีครับแต่มีต้นหนามมาปกคลุมสามประเภทนี้ก็คือดินใจที่ไม่เกิดผลครับเพยงกับให้เราจินตนาการนะครับว่ามีชาวนาคนหนึ่งกำลังออกไปหวานพืชนะครับ ทำไมเขาจึงหว่านพืชลงในที่ต่างๆได้เพราะสมัยนั้นชาวนาจะไถหน้าดินหลังจากที่เขาได้หว่านเมล็ดเพราะฉะนั้นจึงไม่จําเป็นที่เขาจะต้องระวังเมล็ดที่หวานนั้นเท่าไหร่ชาวนาจะต้องทํางานอย่างหนักกับทั้งไถและควนเมล็ดด้วยไม้ไปลายแหลมบางครั้งเขาจะหว่านเมล็ดด้วยมือหรือการหว่านทั่วๆไปนะครับการทำหนิ่มของเขาถ้าเขาวีลาเขาก็าจะเอาเมล็ดพืชใส่ถุงเจาะรูาพาดไว้ที่หลังลา จากนั้นก็ให้ลาเดินกลับไปกลับมาบนนาที่หวานครับในข้อที่สี่ได้อธิบายว่าบางเมล็ดนั้นก็ตกตามผลทางและนกก็มากินเสี้ยทุ่งนาของชาวปาเลสไตน์นะครับก็คล้ายๆกับทุ่งนาบ้านเรานะครับก็คือมีลักษณะเป็นผืนดินยาวนะครับแต่แคบระหว่างผื้นดินนี้ก็จะเป็นทางเดินกว้างประมาณสามฟุตนะครับก็ใช้เป็นทางเดินสําหรับชบาวบ้านที่เดินข้ามไปข้ามมาบนท้องนาทางเดินนี้เป็นทางเดินสาธารณะครับ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ยังเป็นต้องรับการอนุ ญ, ญ, ญาตจากพวกเจ้าของนานะครับเขามีกฎเกณฑ์มีธรรมเนียมปฏิบัติกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเมล็ดพืชบางเมล็ดนั้นที่หวานออกไปก็ตกอยูบ่บนดินแข็งตามขนทางครับเป็นการง่ายกับพวกนกที่บินไปบินมาเพื่อหาอาหารนะครับบางเมล็ดที่ตกในพื้นหินแต่มีเนื้อดินแต่น้อยนะครับก็เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นได้ครับแต่แสงแดดก็ทําให้เหี่ยวไปเพราะรากมันลงไม่ลึกนะครับ เราต้องทําความเข้าใจครับดินในปาเลสไตน์นั้นจริงๆแล้วดินที่กาเรลีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดครับถ้าเราเทียบดินที่กาเรลีกับดินที่ภูเขาดินที่แห้งแล้งของยูเดียทางตอนตอใต้ของประเทศนะครับเราจะรู้ว่าดินที่กาเรลีนั้นดีจริงๆครับแต่ในพื้นที่บางแห่งของพวกในแคนยอนยูเดียนะครับในในในแถบ ป, ปาเลสไตน์นั้นก็มีชั้นของหินปูนใต้ผิวดินที่หนาครับ แล้วเมล็ดเนี่ยตกไปในดินพวกนี้ครับความร้อนจากแสงแดดที่ร้อนระอุใต้ชั้นหินแล้วก็ความแข็งของหินนะครับทําให้รากของมันไม่สามารถชอนไชทะลุลงไปได้ น, นะครับความลึกของดินก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นมเมล็ดพืชพวกนี้ก็งอกได้ครับแต่หินนั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของรากหินนั้นมีความหมายเปรียบเทียบกับอะไรครับก็คือ เป็นความยากลําบากและการข่มเหงต่างๆนะครับที่ทําให้คนไม่โตเพราะอะไรครับเพราะกลัวครับนะครับทนอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองครับก็คือพวกนี้ก็จะมีปัญหาเติบโตไม่ได้นะครับในที่สุดต้องตายไปดินใจประเภทที่สามแล้วก็ก็คือเป็นพื้นดินที่มีต้นหนามครับต้นหนามเหล่านี้เป็นต้นหนามพุ่มใหญ่นะครับแล้วก็รากของมันเนี่ยเป็นรากที่แข็งแรงมากและใหญ่มากนะครับมันก็จะแย่งอาหาร และปกคลุมต้นพืชขนาดเล็กเล็กเสียครับดินพวกนี้ก็เต็มไปด้วยมเมล็ดของต้นหนามที่ใหญ่กว่าด้วยครับในไม่ช้างาหนามเนี่ยฮะก็งอกขึ้นมาขยายพันธุ์และปกคลุ ม, มเมล็ดพืชและต้นพืชที่หว่างไปเสียนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในข้อที่เจ็ดนะครับและพระเยซูก็ได้อธิบายนะครับไว้อยู่ในข้อที่ยีิบสองครับพืชซึ่งหวังกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระชนะ และความกังวลตามธรรมดาโลกและความรุ่มหลวงในทับสมบัติรักโภชนะเสียแล้วเห็นความจริงนะครับว่ามีอยู่สองอย่างครับ ก, รก็คือความกังวลตามธรรมดาโลกคือความกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับและประการที่สองก็คือความรุ่มหลวงในทับสมบัติสองอย่างนี้ครับสามารถทําให้โภชนะไม่เกิดผลได้เพราะก็มีเช่นกัว่ารักโพจนะเสียนะครับเราจะได้ยิน คำว่ารักโจอณะเนี่ยเกิดขึ้นนะครับไม่มากนะครับน้อยมากแต่ที่นี่เป็นที่หนึ่งครับที่สามารถบอกว่าวัดโจอณะได้นะครับสิ่งที่สามารถวัดโจอณะได้คืออะไรคําตอบก็คือความกังวลตามธรรมดาโลกและความรุ่มหลวงเนี่ยสมบัติครับสองอย่างนี้ครับทําให้โจอณะะนนั้ไม่เกิดผลนะครับทุกครั้งเลยครับเพราะโจอณะถูกหวานออกไปต้องเกิดผลเพราะว่าพระธรรมปีได้บอกว่า คำของเราซึ่งออกจากเรนั้นจะไม่กลับมาหาเรา อ, อกลาวครับนังนหมายความว่าทุกๆคำที่ออกไปนั้นจะเกิดผลแต่สิ่งที่รับโทษชนะทำให้ไม่เกิดผลก็คือตัวของคนฟังเองครับตัวของคนฟังเองที่รุ่มหลงและกังวลรุ่มหลงไหนๆรุ่มหลงในชอบสมบัติกังวลอะไรกังวลตามธรรมดาลโลกกังวลเรื่องของโลกนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้คนทั้งสามประเทศนี้ไม่เกิดผล ให้เรามาดูครับดินใจประเภทที่สี่ที่เกิดผลมากครับเกิดผลถึงขนาดร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่านะครับก็คือพืชที่หวานตกในดินดีเพียงครับพระเยซูไม่ได้อธิบายว่าดินดีนั้นคืออะไรแต่ดินดีก็คือดินที่เปิดหัวใจครับดินก็คือดินดีก็คือคนที่สามารถเข้าใจนะครับในพจนะนั้นนะเปิดใจเปิดหูเปิดตาครับ เพราะฉะนั้นสามอย่างนี้ครับเปิดใจเปิดหูเปิดตาเราก็จะได้เห็นความจริงเกี่ยวกับโพคชนะเมื่อความจริงเกี่ยวกับโคชนะนั้นตกเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับต้องเกิดผลแน่เพราะเป็นธรรมชาติของการวานนะครับและการเกี่ยวการวานให้เกิดผลเมื่อมีผลเยอะนะครับก็คือการเกี่ยวเพียนงะครับในรวงข้าวแต่ละรวงนั้นก็มีสามสิบเม็ดบ้างหกสิบเม็ดบ้างหรือหนึ่งร้อยเม็ด นะครับนี่คือสิ่งที่เยซูกําลังเปรียบเทียบ ก, กับคนที่เข้าใจข้อล้ําลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้พี่น้องครับหวังว่าในวันนี้พี่น้องจะได้เป็นดินที่ดีเป็นดินชนิดที่สี่ครับเพื่อที่เราจะรู้สิ่งล้ําลึกนะครับเป็นคนที่มีตาฝ่ายวิญญาณทําให้เราเห็นถึงความจริงที่เปโตรกาลังเปิดเผยแสดงเพื่อที่ชีวิตของเราจะเกิดผลมากสบายเกียรติแด่พระเจ้า ขอพระเจ้าอเมร์พรที่น้องเชื่อทุกท่านในการที่เราจะกลับใจใหม่ทั้งครับสารภาพบาปหากว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอให้เกิดผลมากถวายแด่พระเจ้าครับเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นจะอยู่อย่างมีความหมายครับจะอยู่อย่างไม่เสียเปล่าจะอยู่แล้วองก็ภูมิใจเราก็ภาคภูมิใจที่เราได้ถวายชีวิตกับพระองค์ทํางานรับใช้องค์ทําหน้าที่รับผิดชอบของเรา ให้ดีที่สุดอาเมน